ไม่ซองไม่ต้องขวายเออไม่ต้องไม่ต้องขวายบ้านี่เลอายุเท่าไหร่แล้วเก้าสิบสามโอ้ยเก่งนะไม่ต้องกลับไม่ต้อง่งนั่ละอ่าถ้าถูกให้เกินร้อยเลยนะโยมมาไงมาจากที่ไหน อาทิตย์มเคย้าหรือเป่ะเคยมาหรือเปล่าเคยค่ะแต่ว่าปกติหนูจะไปตรงที่ไปตอนเย็นอะไรนะเช้าแล้วก็เย็นไปช่วยเอาเด็กๆตอนลูกชายอะค่ะไปช่วยส่งน้าหลวงพ่อที่อาพารเมยเย็นแต่ว่าช่วงนี้เขเปิด เปิดเทอมแล้วก็จะไม่ไดแต่ตอนเช้าหนูองพยายามมาเอาโจกเอานาหมาสว่รู้จักกันมานานแล้วรู้จักกันตอนที่เด็กๆมาบวชในภาคฤดูร้อนค่ะอ่าาาาอาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาอาาานาาาาาาาาาาาาานาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาา ดูแลพระป่วยก็เท่ากับได้ดูแลพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าบอกว่าถ้าอยากจะดูแลเราก็ให้ดูแลพระอาพาธพระอาพาธก็เป็นเหมือนลูกของพระพุทธเจ้าคนเราเกิดมาทุกคนก็ต้องไม่สบายกันทุกคนต้องแก่ต้องเจ็บต้องไม่สบายกันทุกคน ก็ดูแลกันไปแล้วก็จะมีคนดูแลเราเองพวกเราทุกคนสักวันหนึ่งก็ต้องเจ็บกันเราเจ็บก็ถ้ามีคนช่วยดูแลกันก็จะมีคนมาช่วยดูแลเราถ้าต่างคนต่างไม่ดูแลกันก็จะไม่มีใครดูแลกันมนุษย์เรานี้ยังต้องอยู่ร่วมกัน ในสังคมอยู่คนเดียวแยกกันอยู่ไม่ได้ต้องมีการพึ่งพาอาศัยกันช่วยเหลือกันในยามที่เราสบายเราสุขเราพอที่จะช่วยเหลือใครได้ก็ควรที่จะทำกันแล้วมันจะเป็นเหมือนกระแสคลื่นพอมันมีคลื่นอันหนึง่งมันก็จะไปทำให้เกิดขึ้นอีกอันเกิดขึ้นอีกอัน พอเราทำคนหนึ่งคนหนึ่งเขาก็ทำตามพอต่างคนทำทำตามกันก็จะมีคนทำกันเยอะๆมากๆถ้าไม่มีใครทำก็จะไม่มีใครทำตามกั น, mm hmm. ยนพยายามทำในสิ่งที่ดีเพราะจะทำให้โลกเราอยู่กันอย่างมีความสุข ถ้าทำในสิ่งที่ไม่ดีก็จะทำตามกันโลกก็จะวุ่นวายช่วงนี้โลกนี้กำลังจะไปในทางที่ไม่ดีกันทุกคนจะเอาแต่ใจของตนเอง<ม>เพราะสมัยนี้ไม่ได้เรียนไม่ได้เข้าวัดกันเพราะเดี๋ยวนี้มีโรงเรียน แต่โรงเรียนสอนแต่ทางทางวิชาชีพแต่ไม่ได้สอนให้มนุษย์เราอยู่กันอย่างร่มเย็นเป็นสุขก็เลยไม่รู้จักวิธีที่จะอยู่กันอย่างร่มเย็นเป็นสุขว่าจะอยู่กันอย่างไรก็เลยอยู่กันตามความพอใจ ตามความต้องการของตนคิดว่านั่นคือความสุขแต่มันกลับกลายเป็นความทุกข์เพราะการทำตามความต้องการทำตามความพอใจของตนนี้มันมักจะไปทำให้คนอื่นเขาเดือดร้อนเพราะเวลาอยากจะได้อะไรทำอะไรก็จะไม่คำนึงถึง ความเดือดร้อนของผู้ขอให้ตนเองได้มีความสุขได้กระทําตามความอยากของตนส่วนคนอื่นจะเดือดร้อนหรือไม่เดือดร้อนก็ไม่สนใจกันแต่ถ้าเรามาวัดเนี่ยเราก็จะได้ยินได้ฟังวิธีอยู่ร่วมกันในโลกนี้อย่างสันติสุข เราต้องอยู่ด้วยการไม่เบียดเบียนกันไม่สร้างความเดือดร้อนให้แก่กันและกันสิ่งใดที่เราทำแล้วเกิดความเดือดร้อนเกิดความเสียหายหแก่ผู้อื่นท่านสอนว่าอย่าทำสิ่งใดที่ทำแล้วทำให้เกิดประโยชน์สุขแก่ผู้อื่นท่านสอนให้ทำ นี่คือสิ่งที่เราจะไม่ได้ยินได้ฟังเวลาเราไปเรียนตามโรงเรียนต่างๆพ่อแม่ของเด็กที่ฉลาดก็มักจะให้เด็กมาบวชเนมาบวชพระเพื่อจะได้เรียนรู้คำสอนของพระพุทธเจ้าที่จะสอนให้พวกเราอยู่กันอย่างร่มเย็ยนเป็นสุข ทางกับตัวเราเองและกับผู้อืนไม่มีความจําเป็นที่พวกเราจะต้องอยู่กันแบบสร้างความเสียหายสร้างความเดือดร้อนให้แก่ผู้อื่นแต่ความเห็นแก่ตัวความไม่รู้ความหลงทำให้ไม่คิดว่าการกระทาที่สร้างความเสียหายให้แก่ผู้อื่นนั้น จะเป็นโทษกับเราเองมันจะกลับมาหาเราเองเราทำอะไรแก่ผู้อื่นผู้อื่นเขาก็จะกลับมาทำกับเราเราทำประโยชน์สุขให้แก่ผู้อื่นผู้อื่นเขาก็จะทำประโยชน์สุขให้กับเราเราทำความเสียหายเดือดร้อนให้แก่ผู้อื่นผู้อื่นก็จะมาทำความเสียหายเดือดร้อนให้แก่พวกเรากับเรามันเป็นกฎ แห่งกรรมใครทำไม่ดีกับเราเราก็มักจะทำไม่ดีกับเขาใครทำดีกับเราเราก็มักจะทำดีกับเขามันเป็นความรู้สึกปกติของของจิตใจของทุกๆคนเป็นอย่างนั้นเวลาใครเขาดีกับเรานี่เราก็อยากจะดีกับเขา เวลาใครเขาไม่ดีกับเราเราก็อยากทำไม่ดีกับเขาเห mm hmm. ็นบางทีเวลาเราทำอะไรเราก็ต้องระมัดระวังว่าเราทำไปแล้วไปทำความเดือดร้อนไปทำความเสียหายให้แก่ผู้อื่นหรือไม่ mm hmm. ถ้าเกิดความเสียหายหเดือดร้อน mm hmm. ก็อย่าทำดีกว่า mm hmm. นี่คือ ธรรมะคำสอนของพระพุทธเจ้าที่สอนให้พวกเราอยู่กันอย่างร่มเย็นเป็นสุขไม่ให้โกรธเกลียดกันไม่ให้อาคตาพยาบาทจองเวรจองกรรมสอนให้อภัยแพ้เป็นพระชนะเป็นมาร อมพระก็คือคนดีมารก็คือคนไม่ดีเราจะเป็นคนดีเราจะรักษาความเป็นคนดีของเราได้เราก็ต้องให้อภัยเป็นแพ้เป็นยอมแพ้เป็นถ้าเราจะเอาชนะกันเราก็จะต้องห้ามหันกันต่ อ, อสู้กัน ฟันต่อฟันตาต่อตาเราก็เลยกลายเป็นคนไม่ดีไปแต่ถ้าเขาทำร้ายเราแล้วเราไม่ตอบโต้เรายอมแพ้ยกธงขาวแพ้เป็นพระชนะเป็นมารให้เขาชนะไปเราแพ้แต่เรารักษาความดีของเราไว้ความดีคือเราไม่ไปทำร้ายเขา เขามาทำร้ายเราเขาเป็นมารเขาเป็นคนไม่ดีแต่ถ้าเขามาทำร้ายเราแล้วเรากลับไปทำร้ายเขาเราก็พอๆกับเขาเราก็ไม่ถือว่าเราก็ไม่ดีกว่าเขาดีไม่ดีร้ายกว่าเขาสิเขาตีเราหนึ่งเรากลับไปตีเขาสองสองหนต้องพยายามฝึกสติ คอยสอนใจอยู่เรื่อยๆนะแพ้เป็นพระชนะเป็นมารถ้าเราอยากจะเป็นพระอยากจะเป็นคนดีอยากจะเป็นลูกศิษย์ของพระพุทธเจ้าเราต้องให้อภัยเราต้องยอมถ้าเรายอมแล้วเราจะหยุดเมื่อเราหยุดแล้วเราก็จะเย็นถ้าเราไม่ยอมเราจะไม่หยุด เราจะไม่เย็นเราจะร้อนเวลาเขาตีเราเราไม่ยอมให้เขาตีเราฟรีๆเราต้องเอาคืนเราก็จะไปตีเขาถ้ายัางตีไม่ได้ก็จะร้อนต้องหาวิธีตามล่าตามฆ่ากันตามตีกันให้ได้แล้วก็ร้ายกาศ ก, กว่าเขาเสียบางทีเขาตีเราหนึเดียวเรากลับไปตีเขาหลายๆายครั้ง นี่คือสิ่งที่ทางโลกทางโรงเรียนทางโลกเขาไม่สอนกันเขาสอนแต่วิชีวิชาชีพ ว, วิชาธรรมากินเป็นหมอเป็นพยาบาลเป็นครูเป็นพ่อค้าแม่ค้าแต่ไม่สอนให้เป็นพระกันไม่รู้จักการเป็นพระการเป็นคนดีเดีย๋ยวนี้ วิชาศิลธรรมก็ไม่มีแล้วหน้าที่พลเมืองดีก็ไม่มีแล้วสมบัติผู้ดีก็ไม่มีแล้วสมัยก่อนโรงเรียนก็ยังเอาธรรมะเข้าไปสอนในโรงเรียนกันมีวิชาศิลธรรมมีวิชาหน้าที่พลเมืองดีมีหน้าที่มีวิชาสมบัติผู้ดีคุณสมบัติของคนดีอย่ายนี้ไม่มีแล้ว คนสมัยนี้แข่งกับเดราัชานกันลอะออาจริงๆลองลองเปรียบเทียบดูวาจานี้ก็พูจาหยาบคายไม่สุภาพแล้วก็โกหกกันเป็นเป็นว่าเล่น เบียดเบียนกันหลอกลวงกันกันแกล้งกันโลกเราจึงวุ่นวายกันต่อให้เจริญทางวัตถุมากน้อยเพียงไรก็ไม่มีความสุขเพราะความเจริญที่แท้จริงไม่ได้เจริญที่วัตถุแต่เจริญที่จิตใจถ้าทุกคนมีศีลมีธรรม อยู่ภายในใจถึงแม้ว่าจะไม่เจริญทางวัตถุแต่จ ะ, จะเจริญกันเพราะจะอยู่กันอย่างร่มเย็ยนเป็นสุข ก, การร่มเย็ยนเป็นสุขอยู่กันอย่างร่มเย็ยนเป็นสุขนี้ไม่ได้อยู่ที่วัตถุมีคอนโดมีตึกสูงเป็นร้อยชั้นแต่ใจของคนที่อยู่ในคอนโดนั้นร้อนเป็นไฟ ร้อนด้วยความโลภร้อมด้วยความโกรธร้อนด้วยความหลงร้อนด้วยความอาฆาตพยาบาทไม่มีความสุขแต่คนที่อยู่ในกระต๊อบอยู่ในป่าอย่างพระสงองค์เจ้าท่านอยู่ด้วยการต่อสู้กับความโลภความโกรธความหลงท่านอยู่ด้วยการเป็นพระ ถ้าไม่มีการไปต่อสู้ไปแข่งแย่งชิงดีกับใครยินดีตามมีตามเกิดในปัจจัยสี่พอมีพอกินก็มีความสุขแล้วความสุขไม่ได้อยู่ที่มีมากมีน้อยความสุขอยู่ที่ความว่าพอหรือไม่พอ ถ้ไม e no right like ่พอแล้วต่อให้มีร้อยล้านพันล้านก็ไม่มีความสุขเพราะก็จะต้องเดินหาเพิ่มขึ้นมาอยู่เรืเลยๆมีล้านก็อยากจะได้เป็นสิบล้านมีสิบล้านก็อยากจะได้เป็นร้อยล้านอยากจะมีหน้ามีตาอยากจะอวดเก่งอวดเบ่งอวดร่าอวดรวยกันคนเราต้องมาอวดความดีกันเลย อศิลแธรรมกันอวดความเสียสละกันอวยการทําบุญทำทานกันไม่ใช่มาอวดแก่งแย่งชิงดีกันพอแก่งแย่งชิงดีกันก็จะต้องเกิ ด, ดเป็นคู่ต่อสู้กันขึ้นมาแล้วก็จองเวรจองกรรมกัน อย่างพระพุทธเจ้ากับพระเทวทัตนี่ก็จองเวรจองกรมกันมาไม่รู้กิดพบกี่ชาติแต่พระพุทธเจ้าท่านยอมท่านเป็นพระพุทธเจ้าตอนที่เทวทัตยพยายามจะฆ่าพระพุทธเจ้าถึงสามครั้งพระพุทธเจ้าก็ไม่เคยตอบโต้สงคนมาฆ่าท่านก็ไม่ไม่ไม่ตอบโต้ ส่งช้างมาเหยียบท่านก็ไม่ตอบโต้กิ่งก้อนเห็นลงมาเพื่อให้ทับพระองค์ก็ไม่ตอบโต้เฉยๆให้อภัยแล้วกรรมมันก็ตอบสนองคนทำเองใจร้อนเป็นฟืนเป็นไฟขึ้นมานี่คือประโยชน์ที่เราจะได้รับจากการเข้าหาม พพุทธศาสนาเข้าหาพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าเราจะได้ยินเรื่องของศีลธรรมเรื่องของการอยู่ร่วมกันอย่างร่มเย็นเป็นสุขไม่เบียดเบียนกันให้อภัยกันช่วยเหลือกันเอื้อเฟื้อเผือเ่อแผ่ขอให้เรามองว่า สมบัติต่างๆที่เรามีอยู่เราตายไปเราก็เอาไปไม่ได้สิ่งที่เราจะเอาไปได้ก็คือความสุขใจหรือความทุกข์ใจถ้าเรามีความเมตตากรุณามีความเอเื้อเฟื้อเผื่อแผ่มีการเสียสละแบ่งปันไม่เอารัดเอาเปรียดไม่เบียดเบียนกัน เราก็จะมีความสุขติดไปกับเราความสุขนี้เรียกว่าบุญเรียกว่าสวรรค์สวรรค์ก็คือบุญคือความสุขใจสวรรค์อยู่ในอกนรกอยู่ในใจสวรรค์นี่ไม่ได้เป็นที่เหมือนกับกรุงเทพหรือเชียงใหม่สวรรค์คือใจของเราที่สุขหรือทุกข์ที่สุข นรกคือใจที่ทุกข์ตอนที่เรามีชีวิตยอยู่นี้เรากำลังสะสมสวรรค์กับ น, นรกกันวันไหนที่เราสุขวันนั้นเรากำลังสะสมสวรรค์กันวันไหนที่เราทุกข์วันนั้นเราสะสมนรกกันแล้วพอเวลาที่ไม่มีร่างกายใจของเราก็จะรับผลของ ความสุขความทุกข์ที่เราสะสมกันถ้าสุขมีมากกว่าทุกข์ก็จะเป็นสวรรค์ถ้าทุกข์มีมากกว่าสุขก็จะเป็นนรกเหมือนห้องที่เราอยู่ในบ้านเนี่ยถ้าเรามีเครื่องปรับอากาศมันก็เย็นเย็นก็เป็นสวรรค์ขึ้นมาถ้าไม่มีเครื่องปรับอากาศมันร้อนมันก็เป็นนรกขึ้นมา บุญนี่เป็นเหมือนเครื่องปรับอากาศของใจเราเวลาเราทำบุญนี่เหมือนเราไปติดเครื่องปรับอากาศทำความเย็นให้กับใจกับเวลาเราไปทำบาปนี่เหมือนกับเราไปาติดไฟติดเตาติดเครื่องทำความร้อนในห้องยิ่งทาบาปมากเท่าไหร่ใจก็ยิ่งร้อนมากขึ้นไปเท่านั้น ยิ่งทำบุญมากเท่าไหร่บุญมันก็จะทำให้ใจเย็นมากขึ้นเท่านั้นบุญกับบาปนี่มันจะแข่งกันเหมือนกับเรามีเครื่องทำความเย็นกับเครื่องทำความร้อนในห้องของเราเลยอยู่ที่เราเปิดเครื่องไหนมากกว่ากันถ้าเราเปิดเครื่องทำความเย็นมากกว่าห้องมันก็จะเย็นถ้าเราเปิดเครื่องทำความร้อนมากกว่าเครื่องทำความเย็นห้องมันก็จะร้อน ใจเรานี่แหละเป็นเหมือนห้องมันจะร้อนหรือจะเย็นก็อยู่ที่การทำบุญหรือทำบาปทีนี้ทำไมเราถึงทำบาปกันเพราะเราไปหลงกันคิดว่าการได้ทรับสมบัติเข้าของเงินทองได้ราบยศสรรเสริญได้สิ่งต่างๆมา ให้ความสุขกับเรานี้เป็นความสุขเราก็เลยพยายามหาแต่ลาบยศสรรเสริญหาเงินหาทองแล้วเวลาหาก็บางทีก็หาโดยวิธีไม่ถูกต้องคือทำบาปเช่นบางคนก็ทำอาชีพฆ่าสัตว์ตัดชีวิตบางคนก็ทำมาหมากินแล้วก็หลอกลวง โกงค้ากาไรเกินควรอยากจะได้เงินมากมากเพราะคิดว่ามีเงินมากมากจะได้ไปซื้อความสุขต่างๆไปเที่ยวไปเล่นไปดูไปฟังไปดื่มไปรับประทานอะไรกันแต่ไม่รู้ว่าความสุขเหล่านี้เป็นความสุขชั่วคราวเดียววความสุขที่ไม่ให้ความอิ่มความพอ กับยิ่งทำให้เกิดความหิวมากขึ้นไปเรื่อยๆพอลองได้ใช้เงินแล้วมันอยากจะใช้ใหญ่ซื้อเสื้อผ้าแทนที่จะซื้อพอให้พอใช้กับซื้อตามความอยากมีกี่ตู้ก็ไม่มีเก็บไม่พอเก็บพอาเดี๋ยวไปเดินตามร้านตามห้างก็เห็นเสื้อผ้าชุดใหม่ๆออกมาก็อยากจะซื้อทั้งๆที่ไม่ต้องซื้อไม่มีความจําเป็นต้องซื้อ ก็อยากจะซื้อเพราะตอนที่ซื้อนั้นมีความสุขแล้วพอซื้อเสร็จแล้วความสุขนั้นก็หายไปเดี๋ยวไปเจอกระเป๋าก็อยากจะซื้อเดี๋ยวไปเจอรองเท้าก็อยากจะซื้อเดี๋ยวไปเจอมือถือก็อยากจะซื้อเดี๋ยวไปเจอของอะไรต่างๆเห็นอะไรก็อยากจะซื้อหมดเพราะซื้อแล้วมันมีความสุข แต่มันความสุขแค่แค่เดียวเดียวท่านเองแล้วความอยากใหม่ก็เกิดขึ้นมาก็ทำให้ต้องซื้ออีกนี่มัอต้องซื้อมากๆก็ต้องหาเงินมามากๆเร็วๆถ้าหาเงินโดยวิธีไม่ทำบาปมันไม่พอมันไม่ทันใจก็ต้องเอาแบบทำบาปกันขอรับชั่นกันอย่างนี้เป็นไง ไปที่สถานที่ราชการนี้ต้องจ่ายใต้โต๊ะกันทุกคนใช่ไหมจะทำอะไรจะเอาอะไรถ้าไม่จ่ายใต้โต๊ะนี้รอไปเถิดแต่ถ้าจ่ายใต้โต๊ะแป๊บเดียวได้แล้วเราไปหาความสุขที่ทำให้เกิดความหิวมากขึ้นความอยากมากขึ้น ไม่ใช่ทำให้มันอิ่มมันพอกันเมื่อมันต้องหาแบบนี้มันก็ต้องทำบาปจนได้ละเพราะว่ามันจะต้องใช้เงินมากในการที่จะซื้อของตามความอยากเพราะความอยากนี้มันไม่มีขอบมีเขตตอให้คุณมีเงินเท่าไหร่ก็ไม่พอใช้เพราะว่ามันมีของใช้ที่มันจะต้องใช้เงินมากๆขึ้นไปเรื่อยๆ คนมีร้านหนึ่งนี่คนก็คิดว่าถ้าคนมีร้านคุณก็ซื้อรถราคันละล้านแต่พอคณมีสิบล้านล็อกละล้านซื้อไม่ได้นะต้องซื้อคันละสิบล้านนะมันต่อให้มีเงินมากน้อยเท่าไหร่มันก็จะไม่พอใช้มันจะต้องใช้มันเพราะมันมีของซื้อให้ใ ห, ให้ซื้ออยู่เรื่อย มันก็เลยทำให้ต้องไปทำบาป ก, กันไปเบียดเบียนกันนี่คือความหลงความหลงที่ไปคิดว่าการซื้อการใช้เงินซื้อของต่างๆจะทำให้มีความสุขกันแต่ความสุขที่แท้จริงนั้นอยู่ที่การเอาเงินนี้ไปให้คนอื่นไปช่วยเหลือคนอื่นอย่างโยมเนี่ยมาช่วยเหลือพระไม่สบาย ก็ต้องเสียเงินต้องซื้อน้ำมันเติมใส่รถมาเสียเวลาทำมาหากินหาเงิ น, ห า, งนหาทองแทนที่จะไปาหาเงินกลับต้องไม่ได้กลับต้องมาเสียเงินแต่เสียแล้วเกิดความรู้สึกอย่างไร ม, มีความสุขไหมมีความสุขใจมีความอิ่มใจไม่คิดอยากจะไปเดินตามห้างไม่คิดอยากจะไปเที่ยวที่นั่นที่นี่ ไปทำบุญไปช่วยเหลือคนกับมีความสุขมากกว่าความสุขต่างกันเงินก้อนเดียวกันนียใช้ไปซื้อของต่างๆกับการไปช่วยเหลือคนอนื่นนีความรู้สึกทางจิตใจมันต่างกันพระพุทธเจ้าจึงสอนให้ทำบุญกันให้เปิดเครื่องปรับอากาศทำแล้วใจเราจะเย็นใจของเราจะมีความสุขไม่ให้เปิดเครื่องทำความร้อน เรื่องทำาตามร้อนก็คือทำบาปคนที่หาความสุขจากการใช้เงินเนี้จะต้องทำบาป ก, กันต้องเข้าผับเข้าบาร์กันนะต้องกินเหล้าเมายากันมันถึงจะรู้สึกมีความสุขแต่มันเป็นความสุขปลอมกินเหล้าเมายาพอเมาแล้วก็ไปทำ บาปข้ออื่นต่อไปประพฤติผิดประเวณีใบพูดจาหยาบคายไปทะเลาะวิวาสไปทำร้ายทรัพย์สินของผู้อื่นเวลาเมาแล้วควบคุมอารมณ์ของตัวเองไม่ได้พอเห็นอะไรไม่ถูกใจหน่อยเดียวก็อาละวาดพอได้ยินอะไรไม่ถูกใจหน่อยก็อาละวา น, นี่คือความหลงที่ไม่รู้ว่าความสุขนั้นอยู่ที่ไหนกันความสุขอยู่ที่การทําความดีความทุกข์อยู่ที่การทําบาปทําไม่ดีพระพุทธเจ้าจึงสอนให้ทาบุญให้ละบาปบุญก็คือการช่วยเหลือกันดูแลกันแบ่งปันกัน มีข้าวมีของมากเกินกว่าที่เราจะกินจะใช้ให้หมดก็เอาไปแจกจ่ายให้ผู้ที่เขาไม่มีจะกินกันบ้างแล้วจะมีความสุขมากกว่าเอาเงินไปซื้อของฟุ่มเฟือยต่างๆซื้อร้คันละสิบล้านซื้อมาทำไมมันก็พาเราไปที่ไหนมาไหนเหมือนกับรถที่ราคาหนึ่งล้านเน่ะ มันก็ไปถึงที่หมายอันเดียวกันซื้อรดสิบล้านมานี้ค่าดูแลรักษาก็มากกว่ารถที่ราคาหนึ่งล้านค่าอู่ทีนึงก็เป็นแสนถ้ารถหนึ่งล้านข้าอู่ทีแล้วก็ค่าเป็นหมื่นเอาเงินสิบล้านนี้มาซื้อรถคันละล้านหรือเก้าล้านมาเอามาทำบุญดีกว่า บริจากให้โรงพยาบาลให้โรงเรียนให้สถานเด็กกำพร้าให้คนพิการให้คนเขาตกทุกข์ได้ยากเดือดร้อนที่เขาช่วยตัวเขาเองไม่ได้คนเจ็บคนแก่ช่วยตัวเองไม่ได้เราต้องดูแลกันพอต่อไปเราก็ต้องเจ็บเราก็ต้องแก่ถ้าไม่มีใครดูแลกันต่อไปก็จะไม่มีใครดูแลเรา ว่ายังไงอยว า, าก่อนนะคะเ อ, องีอ้นเง้งเดี๋ยวจะให้พรก่อนก็นแล้วกันทำงานที่ไหนล่ะพัทยาค่ะอขายเหล้าขายเบียร์ป่ะ <c oughs> ขายานะ อ, อาหรฝรั่งเราต้องไปเปิดร้านอะคะ่ะออา่า <c oughs> ถ้าขายยังขายอยู่อย่างน้อยก็อย่าไปเดิมมันนะอย่าไปกิ น, นถ้าเลอกขายได้ก็เลอกขายถ้าอยากจะไปก็ได้นะไม่ห้ามไม่ได้บังคับให้อยู่นะแกพูดไปตามหน้าที่มีคนมาฟังก็ต้องพูดให้เขาฟังพูดให้รู้บ้างว่าอะไรเป็นอะไรนั่นก็จะหลงกัน หลงหาแต่เงินหาทองแล้วใจก็ร้อนวุ่นวายกับการหาเงินหาทองไม่มีเวลามาใช้เงินให้เกิดความสุขใจกันเวลาใช้เงินก็ไปใช้เงินแบบให้เกิดความร้อนใจขึ้นมาพอใช้แล้วก็อยากจะใช้อีกใช้มากๆถ้าเอาไปทาบุญเนี่ยใจมันจะอิ่มมันจะไม่อยากจะซื้ออะไรไม่อยากจะไปเที่ยวไหนทาบุญแล้วมีความสุขแล้ว แต่ถ้าไปเที่ยวไปซื้ออะไรนี่มันไม่สุขมันไม่พอใช้เที่ยวเท่าไหร่ซื้อเท่าไหร่ก็ไม่พอไม่เหมือนกับเวลาทําบุญทําบุญแล้วมันพอมันมีความสุขพยายามมาทำบุญกันบุญนี้ไม่ต้องมาที่วัดก็ได้ทําที่ไหนก็ได้เนี่ยทํากับคุณแม่เนี่ก็เป็นบุญ ล, ละดูแลคุณแม่ให้อยู่อย่างสุขอย่างสบายคุณแม่นี่เหมือน อุปต驾บอกเป็นพระอาหารหันของลูกๆทำบุญกับแม่นี่ก็เหมือนได้ทำบุญกับพระอาหารหันได้บุญมากไม่ต้องไปหาพระอาหารหันนอกบ้านมีพระอาหารหันอยู่ในบ้านแต่ไม่ไม่ทำกันชอบไปหาพระอาหารหันนอกบ้านบางทีก็ไปเจออาหารหันจริงบ้างอาหารหันปอมบ้าง<笑>อาหารหันแท้ๆ แ, แม่เอ๋อ<笑>มีอาหารหันแท้อยู่สองรูปอยู่ในบ้านอ่ะนะ พ่อกับแม่ของเราเนี่ยเป็นอ า, าหารแท้ๆเป็นคนดีสําหรับเราท่านเป็นคนเลี้ยงดูเราให้กำเนิดกับเราไม่มีพ่อแม่เราจะเกิดมาได้อย่างไรอันนี้แหละพออาระาหารที่แท้พออาระหารนอกบ้านนี้อาจจะมีทั้งของแท้ของปลอมเราต้องไปหาให้ระวังหน่อยเดี๋ยวไปเจ อ, อาาหลานปลอมแล้วจะมาเสียใจในภายหลัง อาหันดาวเทียมมีใครอยากจะถามอะไรไหมเดี๋ยวทางบ้านถ้าใครอยากจะถามอะไรก็ส่งคำถามเข้ามาได้นะเรอนนี้ถ่ายทอดสดถ้ามีเฟซบุ๊กเข้าไปดูได้สดๆอนี้พระอาจารย์สุชาติอภิชาโตเ้า่อไไมมด เก็ไปดูเดี๋ยวนี้มีคนมาถ่ายทอดสดให้ใถามว่ายัางไงไม่ได้ถามเรื่องธรรมถามเรื่องที่ขายขายที่ได้ไอมโออได้ขายขายไม่ต้องมาหรอก ข, ขายถูกขายถู ก, ถ ก, ถกๆเดี๋ยวก็ขายได้ ถ้าขายแพงขายยากเอ่าไม่ได้อยู่ที่เราหรอกอยู่ที่โยมพรุ่งนี้นะมีคนจะมามาซื้อนะค่ะเอ่มาซื้อก็ซื้อสิจะขายได้ไหมฮะก็ขายถูกๆก็ได้เนาะจะขายเท่าไหร่เขาเขาเขาต้องการซื้อเท่าไหร่ก็ขายไปเท่านั้นแหละเออก็คือคือพรุ่งนี้นัดกันไว้จะมาเออนั่นแหละก็ต่อรองกันไงเขาเข้าไปเกียสิบล้านก็เขาคนนี้ เขจะซื้อไมหมฮะอาจารย์อ๋อไม่ขายถก็ขายไม่ได้ที่มันเยอะอ๋อเราอ่านใจเขาไม่ได้หรอกนะคะยอมค่เสียตอนที่ยมซื้อมามักี่ตัง <c oughs> ค์เรเจ้ากําไรเกินควรไปเท่าไหร่ซื้อมาแค่ 7, จเจ็ดแสนเจ้าตอนนี้จะขายเจ็ดสิบล้านนะถ้าซื้อมาเจ็ดแสนนี่ถ้าได้สักเจ็ดล้านก็ควรจะดีใจแล้ว ได้ต้องสิบเท่า น, นี่จะเอาร้อยเท่าเนี่ยความโลภมันเลยทําให้เราขายไม่ออกเข้าใจไหมเนี้ยเขาเรียกวอะไรนะความโลภมากมักจะลาบหายเอถ้าอยากจะได้ลาบต้องอย่าโลภเอาพอสมเหตุสมผลนะ่ะคุยกันไปนะอตายไปก็เอาไปไม่ได้เอามาแล้วจะไม่ทาอะไรเอามาก็เอาไปเก็บไว้ในธนาคารแล้วก็กลัวธนาคารโกงอีกอ่ะ เดี๋ยวก็ธานาคารล้มก็หมดเีกค่ะมีที่ดินยังดีมันยังไ ง, งก็ยังไม่มีใครเอาไปได้ขายไม่ได้ก็ดีก็เก็บไว้แหละเขาก็ขายได้ไม่ได้เอาเงินไปทำบุญทำอะไรบ้างบุนไม่จริงหรอบุญเวลาทำไม่ต้องไม่ต้องขายก็ทำได้ <c oughs> ไ ด, ได้ไม่ต้องทำ กาวอะไรรัก้ที่ตเวนทำบุญทำอะไเอานาถ้าเขาตอบถ้าถ้าอยากจะขายอยากให้เขาซื้อก็ลดให้เขาหน่อยนลยนะแต่ว่าพรุ่งนี้นี่เขามาเขาตั้งใจจะมาจากกรุงเทพอค่ะถ้าจะมาซื้อถ้าเขามาเขาก็อยากจะซื้อแล้วแหละนี้เขาก็ต้องตอบบ้างล่ะเราก็ต้องยอมให้เขาตอบบ้าลดสิบเปอร์เซ็นคิดหนิการลดสักสิเนให้เขาไปเปอรเนะาเจ็ดล้านเจ็ดล้านให้เขาไป เอาสกหกสิบสามก็พอหกสิบหกสิบไปอ่าหกสิบได้นะอพอได้หกสิบก็โกกะไว้ว่าเป็นขายรกประมาณส0เพราะคนเราก็ก็ต้องต่อกันเป็นธรรมดาใช่ไหมเวลาเราซื้อของเราก็ต่อกันเราก็ทั้งรดให้เขาไม่แต่ว่าจะมาขอพอจอาจารย์ว่าให้เขาซื้อ ก็นี่ไงก็ขายถูกๆแล้วแล้วอถ้าเขาขอเขาต่อเท่าไหรก็ขายเขาก็ซื้อกันทันทีเราไม่ยอมขายเองเราจะราคาเราเขาจะเอาราคาเขาอ่ะแล้วเราจะตามใจเราหรือตามใจเขาเ่ะใช่ไหมถ้าเราอยากจะให้เขาซื้อเราก็ต้องตามใจเขาแหละถ้าเราตามใจเราเขาก็ไม่ซื้อแหละ เราก็เหมือนเขาเวลาเราไปซื้ออะไรเราก็ต้องซื้อตามราคาที่เราต้องการจะซื้อใช่ไหมถ้าเขาไม่ขายตามราคาที่เราจะซื้อเราก็ไม่ซื้อแหละไม่ว่าอยากให้พระอาจารย์ชื่อนี่แหละบอกมากได้ต่อสักิบล้านยี่นี้ก็ไม่เป็นไรัเออสบอกเข้าไปเก็ดสิบก็ลดสิบ อาจจะลงที่5้าสิบห้าสิบห้าสิบก็คือว่าโอเคแล้วเนี่ยจะไปอะไรต้องเยอะแยะห้าสิบนี่กินกินไปจนวันตายก็ไม่หมดแล้วแป๊บเดียวหมดเน่ย2ี่สิบสางสิบล้านหกเดือนจะหมดชใช้เก่งมมันก็ต้องใช้ก็อย่าไปใช้สิเก็บไว้ เอาไว้สาหรับเวลาเดือดร้อนเงินทองนะซื้อใช้ในสิ่งที่จําเป็นถ้าซื้อตามความอยากนะโยมมีเท่าไหร่ก็ไม่พอซื้อหรอกนะก็เลยนั่นนะบ้เอามากาจ่ากหรืบว่าพุ่มวิกรมาแล้วขายได้ก็บอกเคล็ดลับล้วไงก็บอกเคล็ดลับนะยอมไม่ฟังเองแต่ว่าอากให้เขาตอบมาก ก็ทำไมไม่ <starters> <Espero> ต no? Gesch ั้งร <s Elliott ills> ้อยล้านหรอมันใช่ว่าอยากเออตอนแรกที่แรกจะขายเยอะกว่านี้อะไรนี้อยากขายเร็วหน่อยนั่นเลยสินั่นเลยก็ไว้ลดก่อนทําไมเนาะไว้ลดก่อนเขาก็ถ้าไม่ลดก่อนเขาก็ไม่กล้าต่อมากใช่ไหมถ้าเราบอกร้อยล้านนี่เขาอาจจะต่อแค่เจ็สิบล้านแล้วก็ขายได้ละเนี่ยเจ็ดสิบล้าน นี่เราไปบอก70็ดสเขาก็ต้องต่อ ล, ลดลงไปเขาก็รู้ว่าเราต้องลดถึง50เนี่ยเขาถึง้ะใช่ไหมห้าสิบอันนี้ว่าให้พระอาจารย์ช่วยจับหน่อยไหมใช่ไหง่าย วางไว้ที่อยู่ตรงไหนนะมันต้งหมดมันกี่แปลงแปลงเดียวเลยเลือกหลายแปลงเอาอะาเยอะเนีย้าสิบห้าสิบกว่าแปลงเขาจะซื้อหมดเลยเหรอก็ซื้อหมดอะคือติดต่อกันเลยเหรอพเดียวเลยอยู่ที่สัตหีบนี่เหรอด้วยกิโลสิบ ยี่โลสิบมันเป็นที่มีชนดเลยมีค่ะมีมันมีชนบอยู่ห้าสิบกว่าแปลงแล้วก็แปลงใหญ่อีกห้าไโอเคค่ ะ, คะขายได้แน่ๆขายไรรู้ะ <c oughs> ขค า, า, าจะรื่ขายได้เรา ว, ว่าขายได้นแต่ม่รู้จะได้ปะะได้จะให้เราการเป็นคนขายที่ดินนะ <laughs> ให้เปลี่ยนอาชีพอะ มาแล้วขายได้แล้วมาอุกี่มาจับก่อนนะได้อ่าสาธุไม่ใช่ขายได้ล้วก็หายแวบไปเลยถ้ายังไม่ขายขายไม่ได้ต้องมาอยู่เรื่อยๆเราขายได้แล้วหายเลย เหมือนเหมือนคนไข้อะเวลาถ้ายังไม่หายก็ต้องมาหาหมออยู่เรยๆพอหายแล้วไม่มาเลยหมอจิงต้องเลี้ยงไข้ไงมาบ่อยมาบ่อยแต่ว่าจะทำบุญข้างล่างอะค่ะ่นเลยมึนๆพอดีแม่ค้าผลไม้ที่ระยองอะคนนั้นก็บอกเขามาหาประอาจารย์บอกมาเลยเขาไม่รู้ว่าอยู่ตรงไหนเลยวันนี้ถามถามอาจารย์ ข้างาล่างเขาบอกอยู่บนนี้ก็เลยขึ้นมานขึ้นมาว่าะจะได้สำเร็จทุกอย่างสอนยังไงก็ไม่ฟังอย่าเชื่อในสิ่งที่ไม่สอนอ่ะ ไม่เคยประกาศเลยว่าเราจะช่วยขายที่ให้ได้กับเชื่อกับเ ช, ชื่อว่าเราจะช่วยขายที่ให้ได้เมื่อกี้ป้าเขาเจอหน้าหนูแล้วเถามว่าพระอาจารย์ท่านนั่งทางในได้ใช่ไหม <c oughs> ได้นั่งนั่งจับกิเลสไม่ได้นั่งจับ <c oughs> นั่งข้างในเพื่อจะจับกิเลสเพื่อจะฆ่ากิเลสฆ่าตันหาความอยากไอ้ตัวนี้แหละที่ทำให้เราวุ่นวายทำให้เราทุกข์กันฆ่าตัวนี้แล้วใจจะสบายถ้าไม่มีความอยากจะขายที่แล้วก็สบาย <c oughs> ใครจะซื้อก็ซื้อไม่ซื้อก็ออกออกอเก็บเอาไว้เหมือนจะเดือดร้อนตรงไหนอย่างนั้นจะได้ราคาดี <c oughs> เขาจะต้องมา ขอซื้อเพราะเราจะไม่มีการลดถ้าเราไม่ลดเดี๋ยวเขาอยากได้จริงๆเขาก็ซื้ อ, อจะขายนี่เขาต่อรองต่อเราได้นะแต่ถ้าเราไม่อยากจะขายเลยถ้าไม่ได้ราคานี้ฉันไม่ขายแล้วเดี๋ยวเขาก็ถ้าเขาอยากมากๆเขาก็แพ้เราเองอคนที่มีความอยากเนี่ยแพ้คนที่ไม่มีความอยากเนี่ยชนะใช่ไหมงั้นมาค่าความอยากกันดีกว่า แล้วเราจะชนะเวลาขายแล้วนี้จะขายได้ราคาที่เราต้องการถ้าขายไม่ได้ก็ไม่ขายไม่เดือดร้อนเราไม่มีความอยากจะใช้เงินใช้ทอง <c oughs> ถ้าอยากจะใช้เงินใช้ทองนี่ก็ต้อง <c oughs> เขาต่อเท่าไหร่ก็ต้องขายให้เขาแล้ว <c oughs> อ่ะมามีถามคำถามทางบ้านไหม <c oughs> ต้องถามดังๆหน่อยนะเพราะเดี๋ยวเขาไม่ได้ยิน ต่อไปเป็นคำถามจากทางบ้านนะคะคำถามแรกจากคุณแสงธรรมค่ะผมฝึกปฏิบัติมาสิบกว่าปีแล้วกระผมขอถามพระอาจารย์เรื่องกระผมไปวัดแห่งหนึ่งทั้งที่ไม่เคยไปเลยแต่พอไปถึงเหมือนกับคุ้นเคยว่าเคยมาเคยเห็นและอีกเรื่องเวลานั่งคุยกับเพื่อนๆ พ, พอคุยไปดูทีวีไปผมได้เห็นว่าถ้าพูดอะไรไปนิดนึงหรือนั่งที่เดิมอีก มันต้องมีเรื่องทั้งๆ ท, ท, ที่คุยกันแค่เรื่องธรรมดาบริเวณรอบตัวก็เหมือนกับว่าต่อไปต้องเป็นแบบนี้แค่ช่วงวินาทไม่กี่นาทีก็เป็นรางสังหรณ์ของเราเนี่ยเราก็ต้องอย่าไปเชื่อมันมากจนเกินไปเราก็ต้องพิสูจน์ดูว่าสิ่งที่เราสังหรณ์นี่มันจะเกิดขึ้นจริงหรือไม่บางครั้งก็อาจจะจริงบางครั้งก็อาจจะไม่จริงก็ได้ เราต้องอย่าไปเชื่อว่ามันจะต้องจริงเสมอไปถ้ามันจริงเสมอไปก็แสดงว่ามันมันจริงเราก็อาจจะเชื่อมันได้เราก็ต้องพิสูจน์ดูไปก่อนถ้ามันเป็นรางสังหรณ์ที่จะให้เร า, เาไม่ไปทําสิ่งที่ไม่ดีก็ดีไปก็มีเท่านั้นแหละมันก็ไม่ได้มีอะไรมากไปกว่า น, นั้น คำถามต่อไปจากคุณสุกัญญานะคะปฏิบัติภาวนาไปด้วยทํางานไปด้วยหรือกิจกรรมอื่นๆนั้นเพื่อให้รู้จิตตนอยู่ตลอดและไม่ได้มองจิตผู้อื่นนั้นย่อมทําได้และไม่ก่อกรรมกับใครอื่นนี้สมควรทําแบบนี้ต่อไปหนึ่งเดือนใช่หรือเปล่าคะการเฝ้าดูจิตใจของเราก็เพื่อที่จะป้องกันไม่ให้มันไปทําสิ่งที่ ไม่ดีสิ่งที่เสียหายกับผู้อื่นและกับตนเองดีกว่าคนที่ไม่มีการเฝ้าดูจิตใจเลยคนที่ไม่เฝ้าดูจิตใจเวลานึกคิดจะทําอะไรก็ทําเลยซึ่งส่วนมากก็จะนึกคิดไปในทางที่ไม่ดีกันพอทําแล้วก็เกิดโทษเกิดความเสียหายตามมาดังนั้นถ้าเรา สามารถคอยเฝ้าดูความรู้สึกนึกคิดของเราและควบคุมความรู้สึกนึกคิดคือควบคุมการกระทําของเราไม่ให้ไปทําในตามความรู้สึกนึกคิดที่ไม่ดีให้ทําตามความรู้สึกนึกคิดที่ดีอย่างนี้ก็จะเกิดประโยชน์กับเราและกับผู้อื่นคือเราก็จะอยู่อย่างร่มเย็นเป็นสุข ผู้อื่นก็จะไม่เดือดร้อนกับการอยู่กับเราข้อต่อไปนะคะจากคุณจานีค่ะปฏิบัติแล้วแสงสว่างจ้าขึ้นชั่วขณะหนึ่งเหมือนฟ้าลับแล้วตัวก็เบาโลกครงรุนแรงมากแล้วก็มีธรรมะขุดขึ้นเป็นคำๆอยู่ประมาณเจ็ดวันแล้วเห็นตัวเองเป็นสองคนและอีกร่างเป็นซากศพอีกร่างเป็นซากศพแล้วเหมือนมีอีกคนอยู่ในจิตตลอดใน ในจิตตลอดสมาธิเป็นอย่างนี้มาห้าปีแล้วต้องปฏิบัติอย่างไรต่อไปคะต้องผ่านมันให้ได้อย่าอย่าไปติดอยู่ตรงนั้นต้องภาวนาต่อถ้าดูลมก็ดูลมต่อไปถ้าพุทโธก็พุทโธต่อไปอย่าไปให้ความสําคัญกับสิ่งที่มาปรากฏให้รับรู้เพราะสิ่งต่างๆเหล่านี้มันไม่ใช่เป็นธรรมะมันไม่ใช่เป็นความสงบการนั่งสมาธินี้เราต้องการความสงบ ต้องการอุเบกขาต้องการพบกับตัวรู้ตัวสักแต่วะรู้เพื่อเราจะได้รู้จักวิธีใช้คำว่าสักแต่วร่รู้ถ้าเรามีสักแต่วะารู้เวลาเราไปทำอะไรกับใครที่ไหนเราจะสักแต่วะารู้คือรู้เฉย เวลาใครเขาพูดไม่ดีเราก็จะรู้เฉยเฉยโดยที่เราจะไม่มีอารมณ์ไม่ดีไปกับเขาเวลาเขาพูดดีเราก็จะรู้เฉยเฉยจะไม่มีอารมณ์ดีไปกับเขาเราก็เฉยเฉยคือเราจะรับกับสิ่งต่างๆได้อย่างไม่วุ่นวายใจจะเฉยเฉยกับสิ่งต่างๆเป็นเหมือนก้อนหินใครพูดไม่ดีเราก็เฉยรู้รว่าเขาพูดไม่ดี ใครทำไม่ดีก็รู้ว่าเขาทำไม่ดีแต่จะไม่เกิดความอยากที่จะไปว่าเขาหรืออยากจะไปทำร้ายเขาอันนี้จะเป็นผลที่เราได้รับจากการนั่งสมาธิเวลาใจเข้าสู่ความสงบเต็มที่นั่งสมาธิก็เพื่อความสงบนี้เราไม่ได้นั่งเพื่อให้เห็นสิ่งนั้นสิ่งนี้เห็นแสงเห็นอะไรต่างๆ สิงเหล่านี้ไม่มีคุณไม่มีประโยชน์ต่อการทำใจของเราให้มีความสุขให้ใจของเราไม่วุ่นวายไม่เดือดร้อนต้องความสงบความเป็นอุเบกขาภาวนาถ้าไปเห็นนู่นเห็นนี่แล้วก็หยุดก็ถือว่ายังไปไม่ถึงจุดหมายปลายทางเหมือนเราจะเดินทางไปกรุงเทพ ผ่านพัทยาไปเจอบาร์เจอผับล้วก็จอดแวะบาร์แวะผับไม่ขับรถต่อไปก็จะไปไม่ถึงกรุงเทพเรานั่งสมาธิก็เพื่อทำใจให้สงบให้นิ่งให้ว่างถ้ายังไม่สงบไม่นิ่งไม่ว่างอย่าเพิ่งหยุดพุทโธต่อไปดูลมหายใจต่อไปอย่าไปสนใจกับแสงที่โผล่ขึ้นมาภาพที่โผล่ขึ้นมา อย่าไปสนใจมันเป็นภาพหลอกภาพหลอกภาพหลอนเป็นมายาไม่มีประโยชน์กับการปฏิบัติเพื่อดับความทุกข์ใจอาจจะเป็นตัวที่เป็นทเป็นเหตุทำให้เกิดความทุกข์ใจขึ้นมาถ้าเราไปสนใจไปเจอภาพที่น่ากลัวที่ไม่ชอบก็จะเกิดความทุกข์ใจขึ้นมาก็อย่าไปสนใจเจอภาพ น่ารักหรือน่ากลัวก็ให้อยู่กับพุทโธไปอยู่กับลมหายใจไปไม่ต้องไปสนใจให้รู้ว่าเป็นเหมือนดูหนังหนังก็มีหนังหนังผีบ้างหนังตลกบ้างก็ดูมันไปมันหนังมันทำอะไรคนดูไม่ได้หรอกเวลาเราภาวนานี่ภาพต่างๆที่มันปรากฏขึ้นมามันทำละทาอะไรคนนั่งนั่งนั่งสมาธิไม่ได้หรอกมันเป็นภาพเหมือนนั่งดูหนัง อย่าไปหลงไหลกับมันเท่านั้นเองอย่าไปสนใจให้สนใจอยู่กับพุทโธพุทโธหรืออยู่กับลมหายใจไปจนกว่ามันจะวุบลงไปเหมือนตกหลุมตกบ่อแล้วก็นิ่งสงบว่างไม่มีอะไรมีแต่อุเบกขาใจเฉยๆสักแต่ว่ารู้นั่นแหละคือผลที่เราต้องการจากการนั่งสมาธิเหมือนกับไปตกปลา ไปได้กระป๋องมาได้ถุงพลาสติกมานี่ไม่ใช่เป็นผลที่เราต้องการเวลาตกปลานี่เราต้องการปลาใช่ไหมแต่บางทีเบ็ดมันก็ไปเกี่ยวถุงพลาสติกไปเกี่ยวเชือกเกี่ยวอะไรมาเราก็จะไปคิดว่าเป็นปลาเข้าใจไหมเวลานั่งสมาธิพอไปเห็นหนู่นเห็นนี่ก็คิดว่าโอมีดวงตาเห็นธรรมแล้วเกิดปัญญาขึ้นมาแล้วบรรลุแล้ว อันนี้ไม่ใช่ได้ขยะได้เชือกได้ถุงพลาสติกไม่ได้ปลาปลาของเราก็คือความสงบความนิ่งความว่างความเป็นอุบเบกขาของใจที่จะทำให้เราใจเย็นใจสบายไม่วุ่นวายไม่เดือดร้อนกับสิ่งที่เราใบสัมผัสรับรู้แล้วก็จะสามารถสู้กับความอยากสู้กับกิเลสได้ เวลาเห็นกระเป๋าสวยๆอยากจะได้ก็บอกไม่เอาไม่ต้องซื้อซื้อไปทำไมซื้อมาก็เท่านั้นสู้ไม่ซื้อดีกว่าเก็บเงินไว้ทำบุญดีกว่ามีความสุขมากกว่ามันจะสามารถต่อสู้กับความอยากต่างๆได้ถ้าไม่มีความสงบไม่มีอุบเบกขาพอเห็นอะไรนี่ใจอ่อนเหมือนกับเหมือนกับเนยเจอเจอไฟเลย เหมือนเทียนเจอไฟเลยอ่อนไหลไปเลยถ้าไม่ได้แล้วรู้สึกจะตายให้ได้เนี่ยแหละไม่มีอุเบกขาเข้าใจไหมคำถามต่อไปนะคะเวลานั่งสมาธิเราก็บริกรรมพุโทโธไปตลอดเมื่อเผลอก็ดึงกลับสลับไปมาจนครึ่งชั่วโมงทำไมถึงไม่รวมคือยังมีสติตลอดนึกพุโทโธตลอดครับ ก็ยังยังไม่กำลังยังไม่พอใจเราเนี่ยมีมีสองฝ่ายแย่งกันสติเป็นฝ่ายหนึ่งตัณหาความอยากเป็นอีกฝ่ายหนึ่งความอยากมันจะดึงให้เราออกไปทางตาหูจมูกลิ้นกายออกให้เราไปหารูปเสียงกลิ่นรสหาความคิดต่างๆสติก็จะดึงให้ใจเข้าไปสู่ความสงบ ถ้ายัางไม่สงบก็แสดงว่าสติมีกําลังไม่พอต้องทำไม่ใช่เฉพาะแต่เวลามานั่งต้องทำทั้งวันเลยก่อนที่เราจะมานั่งเราก็ต้องเจริญสติต้องพุทโธพุทโธไปไม่ว่าเรากาลังทำอะไรอยู่ถ้าเราไม่ต้องคิดอะไรก็ใช้พุทโธถ้าต้องคิดเกี่ยวกับ ง, งานก็หยุดพุทโธไว้เช่นเวลาทำงานต้องคิดบัญชีต้องวางแผน ก็หยุดคิดไว้ชั่วคราวถ้าเป็นความคิดเกี่ยวกับการทำงานนี้คิดได้แต่ถ้าเป็นความคิดเพ้อเจอ้อเพ้อฝันอย่าไปคิดเพราะจะทำให้ใจฟุง้งจะทำให้ใจไม่สงบแล้วเวลามานั่งมันจะมีกำลังมากขึ้นแล้วมันจะดึงใจให้เข้าข้างในให้มันตกหลุมของความสงบได้เวลาตกหลุมมันก็จะเหมือนกับตกหลุมตกบ่อตกเขวเนี่ยมันก็จะวบลงไป ที่ยังไม่ลงก็เพราะว่าสติเรากําลังไม่พอเหมือนการชักกระเยอะกันเนี่ยฝ่ายที่จะดึงไปทางความคิดต่างๆมันมีกําลังมากกว่ามันก็เลยไม่สามารถเข้าไปสู่ความสงบได้ยังต้องพยายามสร้างสติให้มากๆต้องทําทั้งวันมือนถึงจะมีกําลังมากขึ้น ผลเป็นยังไงวันนี้เสียงดังพอไหมเขาบอกเสียงเบากว่าวัน่อนเขาบอค่ะเสียงดังค่ะคือถ้าฟังจากผู้ฟังอก็จะชัดจะชัดมากถ้าฟังจากลำโพงเครื่องโทรศัพท์มันเบาะเาอแต่ถ้าฟังจากผู้ฟังหรือฟังจากเครื่องคอมคอมที่บ้านมันก็ดังแต่ถ้าฟังจากโทรศัพท์นี้มันจะค่อย เขาบอกว่าทางเซอร์วิสได้ยินกระทั่งเสียงสัต ร, ร้องในป่าชัดเจนดีมากเลยแล้ว <c oughs> แต่ก็ใช่อะไรฟังอย่าง้ยใช่ไหมเลียชัดเจนแล้วที่ฟังของคนเวลาถ้าอยู่ที่ไหนที่มันมีเสียงดังๆมากเนี่ยเสียงโทรศัพท์มันจะค่อยมันจะไม่ค่อยได้ยินแต่ถ้าอยู่ที่อย่างเงี้ยเสียงโทรศัพท์นี่จะดังใครมีเฟซหรือเปล่าลองเปิดดูดนะ้เสียงดังพอไหม เดีย๋ยถ้าอยู่ที่ตรงนี้มันเงียบเสียงจะได้ยินแต่ถ้าอยู่ในในเมืองมีรถลาวิ่งไปวิ่งมาเสียงขนาด น, นี้ไม่พอก็อได้ยินนะตอนที่หนูอยู่ที่บา้านก็เสียงดังถนนก็ได้นนี่เปิดเต็มที่แล้วยังเสียงอ่าใช่ถ้าที่อยู่นี้มันดังเมื่อเช้านี้มีคนบอกไม่ได้ยินเลยไม่ค่อยได้ยินเลยเปิดโทรศัพท์เครือ่องโทรศัพท์บอกไม่ค่อยดีิน าาไไ เ, นนไไ เ, เสียงภาพเสียงช้ากว่ามีดีเลย์ประมาณสักสี่ห้าวินาทีเดี๋ยวลองคอยดูตอนนี่เ้าทำลงถ่ายภาพเราดูเปิดดู ขานไปดูสินีค erm ่ะอันนี้ค่ะกำลังเห็นหน้าเราอยู่เลยนั่นหน้าไหยิ้มหน่อยสิไม่้งไม่ออกกล้องแต่งหน้าทุกวันนะมีคำถามอีกคำถามค่ะ ขอให้พระอาจารย์ช่วยขยายความเรื่องที่ว่านักปฏิบัติธรรมต้องมองว่าตัวเองผิดเสมอยมรู้สึกว่าไม่ยุติธรรมถ้าเราไม่ผิดแต่เราต้องมองว่าเราผิดอันนี้ยมเข้าใจว่ามันเป็นการลดความยึดถือความเป็นเราแล้วในกรณีที่เราไม่ผิดเราควรพิจารณาอย่างไรคะไม่ผิดก็เฉยๆไว้เท่านั้นเองไม่ต้องแปลวาแพ้ชนะกัน ผิดถูกมันไม่สําคัญอ่ะมันสําคัญตรงที่ไปเอาแพ้เชนะกันนั่นแหะตอนนั้นมันผิดอย่างที่พระพุทธเจ้ามีสอนมีพระสองฝ่ายทะเลาะกันฝ่ายหนึ่งก็ว่าตนเองถูกอีกฝ่ายนึ่งก็ว่าตนเองถูกก็ไม่ยอมเชื่อพระพุทธเจ้าบอกว่าผิดทั้งคู่ให้ยุติอย่าไปเอาแพ้เอาชนะกันพอไม่เชื่อพระพุทธเจ้าก็าเลยหนีไปอยู่กับลิงกับช้าง เถวบ้านก็สงสัยว่าทำไมพระพุทธเจ้าจึงปไปอยู่องค์เดียวก็ส่งสายสืบมาก็ได้ทร า, าบว่าพระไม่เชื่อฟังพระพุทธเจ้ายาวแพ้เอาชนะกันพระพุทธเจ้าก็เลยรู้ว่าสอนพวกนี้ไม่ได้เพราะสอนแล้วไม่ฟังเมื่อไม่ฟังเราจะไปสอนทำไมท่านก็เลยไปสอนช้างกับลิงดีกว่าชาวบ้านรู้ข่าวก็เลยไม่ยอมสายบาท ไม่ใส่บาทให้กับพระพอพระไม่ได้กินข้าวสองสามวันนะยกทงขาวยอมแพ้กันหมดเลยไปกราบขอขามาพระเจ้านี่แหละมันเป็นอย่างนี้การที่จะทะเลาะวิวาสกันเอาแพ้ชนะกันนี้มันเสียหายมากกว่าการที่เรายอมแพ้กันยอมกันคาว่ายอมกันนี่ไม่ได้หมายความว่าว่าเราผิดผิดถูกมันไม่มีเปลี่ยนแปลงได้หรอกผิดมันก็ผิดถูกมันก็ถูก ปัญหาไม่ได้อยู่ตรงผิดถูกปัญหามันอยู่ตรงที่จะเอาแพ้เอาชนะกันทะเลาะวิวาทกันอย่างหลวงตาท่านถือกฎที่วัดท่านนะสมัยนั้นท่านบอกว่าถ้าใครมาอยู่ที่วัดท่านแล้วมาทะเลาะกันแล้วมาฟ้องท่านว่าใครผิดใครถูกท่านบอกผิดทั้งคู่อ่ะให้ออกไปอยากวัดทั้งคู่แล้วไม่มีใครกล้าที่จะมาทะเลาะกันในวัดเนี่ ย, ยการทะเลาะกันมันเป็นความแตกสามัคคีกัน มันสร้างความเสียหายใหญ่หลวงยิ่งกว่าการแพ้การผิดการถูกผิดถูกก็รู้ไปแล้วก็แก้ไขกันไปสิถ้าถ้ารู้ว่าผิดก็แก้ไขกันไปถ้ารู้ว่าไม่ผิดก็ไม่ต้องทำอะไรก็ไม่มีใครก็ว่าอะไรแต่ที่จะไปเอาโทษคนอื่นเอาแพ้เอาชนะคนอื่นเขาเนี่ยมันทำให้เกิดการทะเลาะวิวาสเกิดความแตกแยกสามัคคีเกิดความกรเกลียดกันขึ้นมา พระพุทธศาสนาหรือองค์กรต่างๆเนี่ยที่มันร่วมจมไม่ใช่ร่วมจมจากภัยพักข้างนอกหรอกมันเกิดจากภัยภายในเกิดจากการแตกความสามัคคีกันเรามีความสามัคคีเป็นเปึกแผ่นนี้มันไม่แตกง่ายๆฉนั้นต้องรู้จักคำว่าแพ้ถ้าแพ้เราก็หยุดไม่ได้บอกให้ให้ยอมว่าตนเองผิดบ่าให้ยอมแพ้ ฟังผิดฟังไม่เข้าใจผิดก็รู้ว่าผิดถูกก็รู้ว่าถูกแต่ไม่ต้องเอามาชนกันเขานี่นะก็อาจจะแสดงความคิดเห็นหน่อยว่าผมคิดว่าผมทำอย่างนี้ถูกแล้วแต่ผมก็ไม่ว่าอะไรถ้าคุณคิดว่าอย่างนู้นถูกก็โอเคก็ได้มันก็จบคนไปก็ต่างคนต่างไปก็แล้วกันถ้าคุณคิดว่าไปทางนู้นถูกคุณก็ไปทางนูน้น แเราคิดว่าเราถูกทางนี้แล้วก็ไปทางนี้ทําไมจะต้องมาบาังคับให้ไปด้วยกันใช่ไหมคุณเขาถามต่อนะคะว่าแล้วคําสอนที่ผุดขึ้นมาเป็นคำคำในจิตขณะนั่งปฏิบัติจะปฏิบัติต่อเช่นใดต้องพิจารณาเป็นไตรลักษณ์หรือไม่คะก็แล้วแต่มันสอนอะไรล่ละสอนให้เราไปฆ่าคนหรือสอนให้เราไปอไปบวชอย่างนี้ยอ่ะ ้ามันสอนให้ไปบวชก็พิจารณาดูว่ามันดีหรือไม่ดีถ้ามันดีก็ไปถ้ามันสอนให้ไปฆ่าคนมันไม่ดีก็อย่าไปฆ่ามันต้องใช้วิจารณญาณทุกสิ่งทุกอย่างที่เรารับรู้ไม่ว่าจากข้างนอกหละข้างในเหมือนกันหมดมันเราต้องใช้ปัญญาวิเคราะห์ก่อนว่าถูกหรือไม่ถูกควรหรือไม่ควรเป็นคุณหรือเป็นโทษถ้าเป็นคุณก็ทาไปเลย ถ้าเป็นโทั่วก็อย่าทำทำไม่แน่ใจก็อย่าไปสนใจมันเช่นพรุ่งนี้หวยออกออกแล้วเจอเบอร์นี้เข้ามาอา้าวใครควรดูจะซื้อดีหรือไม่ซื้อดีะคราวที่แล้วเห็นเลขแล้วซื้อก็ถูกแล้วไม่ถูกถ้าถูกงวดนี้มันก็น่าจะเชื่อถือได้แต่ถ้างวดที่แล้วเห็นแล้วซื้อก็ไม่ถูกงวดนี้ยังอยากจะเสี่ยงซื้ออีกหรือเปล่าก็าาาต้องใช้ปัญญา เราซื้อมาแล้วถูกแล้วมันได้อะไรได้เงินแล้วมันมันดีตรงไหนได้เงินแบบนี้มันดีตรงไหนซื้อได้เงินแบบที่เราชัวรๆไม่ดีกว่าเลยไปเก็บขยะไปเก็บขวดป่ามาขายมันยังดีกว่าช่วยทำให้บ้านเมืองสะอาดด้วยดีกว่าไปเอาเงินของคนอื่นมาการได้เงินจากการเล่นการพนันนี้เราได้ความสุขบนกองทุกของคนอื่นใช่ไหม คนได้ก็ดีใจมีความสุขคนเสียก็ทุกข์ใจได้แบบนี้ไม่ดีเป็นการหาไรายได้ที่อยู่บนกองทุกขของผู้อื่นมันส่วนใหญ่ก็บนกองทุกของเราเนี่ยเพราะส่วนใหญ่เราไม่ค่อยถู ก, กันหรอกคำถามต่อไปนะคะ เวลาการนั่งสมาธิวิพพานากรรมฐานปัจจุบันนี้มีการเปิดเพลงบรรเลงแผ่วเบาในการทําสมาธิบางครั้งเปิดบทสวดมนต์บ้างเปิดคําขอนพระเพลศบ้างจิตแทนที่จะจับลมหายใจก็ไปจับเอาเสียงต่างๆดังว่าเปรียบการติดวิเวกสงบโดยธรรมชาติไม่มีเสียงอันใดเลยอันไหนเหมาะที่สุดในการนั่งคะก็เอาแบบพระพุทธเจ้าน่พระพุทธเจ้าเปิดเพลงฟังว่า ท่านก็ไปปีกฤเวกอยู่ในป่าตัดจะรู้ที่คนโคนต้นโพยไม่มีใครมานั่งรอบๆไม่มีเสียงเพลงไม่มีอะไรอยู่กับธรรมชาติคำถามต่อไปนะคะดิฉันหัดภาวนาโดยอ่านหนังสือข้อแม่ครูอาจารย์หลายท่านมาประมาณสามปีมีอยู่วันหนึ่งนั่งปั๊บร่างกายหายหมด พุทโธก็หายนิ่งอยู่อย่างนั้นจิตสงบมากเหลือแต่ดวงจิตที่รู้เป็นเวลาเท่าไหร่ไม่รู้อยู่อย่างนั้นเองจนมาเริ่มรู้ตัวขึ้นมีประโยคหนึ่งเกิดขึ้นคือให้มีอารมณ์เดียวก็ไม่รู้จะทําอย่างไรก็เลยพุทโธท่องพุทโธตัวตัวตนแค้งขาก็กลับมาหมดจากนั้นหลายเดือนมานี้ก็ไม่เกิดแบบนี้อีกเลย ทุกวันนี้นั่งภาวนาเวลาจิตจะสงบจะขนลุกน้ำตาไหลแต่ก็ยังไม่เข้าสู่ความสงบแบบแบบเดิมวนเวียนอยู่แค่นี้จะทำอย่างไรต่อไปอย่าไปาคาดคะเน อ, อย่าไปอยากให้ได้ผลเหมือนที่เคยได้ให้ลืมอดีตเสียให้อยู่ในปัจจุบันให้ไม่รู้ไม่ชี้ทำแบบไม่รู้ไม่ชี้ไปดูลมก็ดูลมไปพุโทโธก็พุโทโธไป มันจะสงบเมื่อไหรหรือไม่สงบก็ไม่ต้องไปสนใจมันถ้าไปกังวลกับเรื่องผลมันจะไม่มีวันที่จะสงบได้คำถามต่อไปนะคะหลวงพ่อมีวิธีบอกบุคคลอื่นอย่างไรเพราะบุคคลทุกวันนี้เห็นวัตถุดีกว่าทานศีลภาวนาแต่วัตถุที่มองเห็นเราควรเราควรปล่อยเขาไปไหมหรือปฏิบัติเฉพาะตัวเรา ถ้าเรายังไม่เป็นอาจารย์ก็อย่าเพิ่งไปสนใจสั่งสอนคนอื่นสอนตัวเราให้หลุดก่อนให้ให้พ้นก่อนเถิดนะอย่าไปเสียเวลากับการไปสั่งสอนคนอื่นเลยถ้าเรายังสั่งสอนตัวเราไม่ได้เราจะไปสั่งสอนคนอื่นได้อย่างไรการจะเอาชนะความกลัวในการบวชคือถ้าบวชต่อไปแล้วกลัวว่าสักวันหนึ่งจะไปไม่รอดมีวิธีเอาชนะความกลัวไหมครับก็อย่าไปคาดคะเนถึงอนาคต คำว่าอนาคตมันก็พูดอยู่แล้วว่ามันคตไปคตมาเราคิดว่ามันจะเป็นอย่างนั้นมันอาจจะไม่เป็นอย่างนั้นก็ได้งั้นอย่าไปกังวลกับอนาคตเพราะว่ามันยังไม่เกิดถ้าปัจจุบันของเราดีอนาคตมันก็จะดีเองงั้นขอให้ทุ่มเทยอยู่กับปัจจุบันเราก็เคยใช้อุบายเรื่องการที่จะไม่ไม่ศึกนี้ว่าสมมติว่าเราบวดไปได้ปีหนึ่งแล้วเกิดอยากจะศึกขึ้นมา แล้วก็บอกว่าถ้ามึงอยู่มาได้ปีหนึง่งมันก็ต้องอยู่ต่อไปได้อีกปีหนึง่งถ้ามึงอยากจะสึกก็รออีกปีหนึ่งค่อยสึก <c oughs> <c oughs> ก็บังคับให้มันอยู่ต่อไปอีกปีหนึง่งพอมันได้อีกปีหนึง่งบางทีมันก็ลืมและ้ะมันก็ไม่อยากจะสึกถ้ามันอยากจะสึกก็ใช้แบบเดิมอีกมึงอยู่มาได้สองปีก็ต้องอยู่ต่อไปได้อีกสองปีค่อยสึกถ้าทาอย่างนี้รับรองได้ไม่มีวันสึกค่ะถามต่อไปนะคะ การนั่งสมาธิอุทิศบุญให้กับบิดามารดาผู้ล่วงลับไปแล้วกับการถวายทานอย่างไหนสมควรแก่การอุทิศให้ผู้ล่วงลับมากกว่ากันก็ต้องถวายทานก่อนถึงจะถึงอุทิศบุญได้บุญบุญที่เราจะอุทิศนี่เกิดจากการให้ทานของเราถ้าเราไม่ให้ทานเราก็ไม่มีบุญที่จะไปอุทิศเนี่ยเราต้องทำบุญก่อน เร่นตักบาทเสร็จแล้วล้วก็เอาบุญที่เราได้จากการตักบาสนี้อุทิศให้กับผู้ลงรับไปได้แต่ไม่ใช่อยู่ดีๆก็จะอุทิศขึ้นมาเฉยๆโดยที่ไม่มีบุญนี่มันอุทิศไม่ได้เคยพูดจาไม่ดีกับพ่อแม่เราสามารถทำอย่างไรไม่ให้กรรมติดตัวไปกราบเท้าพ่อแม่ซะไปขอคาลอยพ่อแม่ซะ หากจะบวชกับพระอาจารย์อยู่ปฏิบัติกับพระอาจารย์จะได้หรือเปล่าครับต้องเตรียมตัวอย่างไรบวชคือที่ที่ที่ที่จะบวชแต่ละที่มันก็มีสถานที่จำกัดนะถ้ามีที่ว่างก็บวชได้วัด น, นี้เขาก็รับการบวชแต่ต้องบวชที่วัดยานอยู่ที่วัดยานก่อนก่อนที่จะมาอยู่บนเขาได้ น, นี่ต้องให้ได้พรรษาไปแล้วก่อน แล้วก็ต้องอยู่ที่ว่ามีที่ว่างหรือไม่มีที่ว่างถ้ายังไม่มีที่ว่างก็ต้องรอคิวไปก่อนแล้วก็จิตกับใจและความคิดตัวเดียวกันหรือเปล่าครับและมีความแตกต่างกันอย่างไรจิตกระจนี่เป็นตัวเดียวกันคือจิตเนี่ยมันจิตกระจานี่มันเป็นตัวรู้ตัวคิดเนี่ยเวลาเราพูดถึงตัวรู้เรามักจะเรียกว่าใจ เวลาถ้าเราคิดพูดถึงตัวคิดเราจะเรียกว่าจิตแต่มันก็เป็นคนคนเดียวกันเหมือนคนที่มีแขนกับมีขาอย่างเงี้ยแขนก็อย่างหนึ่งขาก็อย่างหนึ่งแต่ก็อยู่ในคนคนเดียวกันจิตกระจยก็อยู่ในในสิ่งเดียวกันเพียงแต่เราแยกหน้าที่ของมันเวลามันคิดเราก็จะเรียกว่าจิตเวลามันรู้เราเยก็ว่าใจ แต่ส่วนใหญ่บางทีก็ใช้สลับกันได้แทนกันได้บางทีก็ใช้คู่กันไปจิตใจไปเน้นขอให้เรารู้ว่ามันเป็นตัวเดียวกันตัวที่ไม่ใช่ร่างกายกัแล้วกันตัวที่มีความรู้สึกนึกคิดนี้ไม่ใช่ร่างกายตัวที่สั่งให้ร่างกายทำอะไรต่างๆนี้ไม่ใช่ไม่ใช่ร่างกายเราเรียกมันว่าจิตใจเวลาร่างกายตายไปเราก็เปลี่ยนชื่อให้มันเรียกว่ามันเป็นดวงวิญญาณไปตัวเดียวกัน แล้วพอเป็นดวงวิญญาณไปเป็นเทพแล้วก็เรียกว่าเป็นเทพไปไปเป็นเปรตแล้วก็เรียกว่าเป็นเปรตไปไปตกนรกแล้วก็เรียกว่านรกไปก็ตัวเดียวตัวนี้แหละตัวจิตตัวใจเพียงแต่เปลี <out> ่ยนเปลี่ยนชื่อเปลี่ยนตามไปตามสถานภาพเหมือนผู้หญิงเนี่ยตอนเป็นเด็กก็เด็กหญิงพอต่อขึ้นมาก็เป็นนางสาวพอแต่งงานก็เป็นนางขึ้นมามันก็คนเดียวกันแต่สถานภาพมันเปลี่ยนไป ดวงจิตดวงใจนี่ก็เหมือนกันเวลามีร่างกายเราก็เรียกจิตใจมีความรู้สึกนึกคิดนี่คือจิตใจพอไม่มีร่างกายเราก็เรียกว่าดวงวิญญาณแล้วดวงวิญญาณไปสู่สุขติก็เรียกว่าเป็นเทพเป็ น, เ ป, นเป็นพรหมไปถ้าไปสู่อบายก็ไปเป็นเปรตไปเป็นนรกไปนี่คือตัวจิตใจตัวที่ให้ไปนรกก็บาปตัวที่ให้ไปสวรรค์ก็บุญตัวที่ให้ไปนิพพานก็คือ การตัดกิเลสการชำระใจให้สะอาดบริสุทธิ์ก็มีสามขั้นสามอย่างพระพุทธเจ้า 3, สอนแค่สามอย่างนี้ให้ทําบุญเพื่อจะได้ไปสวรรค์ให้ละบาปเพื่อจะได้ปิดประตูอบายให้ชำระใจให้สะอาดบริสุทธิ์เพื่อไปพระนิพพานไปพระนิพพานก็เพื่อจะได้ไม่ต้องกลับมาเวียนว่ายตายเกิดเด็กต่อไปคำสอนพระพุทธเจ้าง่ายๆมีสาสามทางเลือก เหมือนกับไปร้านอาหารมีอาหารสามชนิดเนี่ยคุณจะเลือกกินอาหารไหนก๋วยเตี๋ยวข้าวผัดกับส้มตําเอา้าจะกินอันไหนดีก็สั่งไปเลยอยากกินส้มตำก็สั่งส้มตําำออยากจะไปสวรรค์ก็ทําบุญนะถ้าไม่อยากจะไปอบาบัยก็อย่าไปทําบาปถ้าไม่อยากจะกลับมาเวียนว่ายตายเกิด mm. ก็กําจัดความรู้ความโกรธความหลงให้มันหมดไปจากใจ mm. ก็มีแค่นี้ง่ายๆ ไม่ลึกลับอะไรเลยดีอีกไหมมีสวิตส่งมาบอกว่าเสียงเจ๊ดังเลยเหอสวิตแน่ช่วยให้กำลังใจเจ๊หน่อยนะเราจะได้มีชื่อเสียงโด่งดังเดี๋ยวถ้าเกิดขายที่ได้สวยแล้วเนี่ยเดี๋ยวคนอยาจะขายที่มันต้องมาที่นี่กันหมดหัวเราะ เยียบหน่อยขายได้นะนี่แตะหน่อยเดี๋ยวต่อไปเอาชนดนมาให้แตะวุ่นไม่หมืนเจ้่ไหเราอดพมยิ้มไม่ได้มีใครอยากจะถามอะไรไหมถ้าไม่มีจะปิดประชุมนะเพราะอะดีั้มนะพอสมควรแก่เวลานะแต่ได้พักผ่อนบ้าง ก็ขอให้เอาสิ่งที่ได้ยินได้ฟังในวันนี้ใบพินิจพิจารณาไปปฏิบัติเพื่อความสุขความเจริญก้าวหน้าในธรรมยิ่งยิ่งขึ้นไปเธออ่าแพนทถ้น่อยแพนทถ้น่อยดูภาพหมุนไปช้าช้าตากล้องนี่ต้องสอน การไปให้รอบเลย360สามรอหกสิบองศาจะได้เห็นหน้าเห็นตาอ่าก็มาดูแลลงตาไปเรื่อยๆอ่าน uh, sure. so, okay, so, uh, ี่ช่วยเหลือท่านหลวงพี่คนเดียวก็ดูแลไม่ไหวท่านก็ยังต้องไปสอนเด็กที่โรงเรียนอีกคือตอนแรกอะหนูไม่ไม่รู้ไว้ไม่ทราบว่าพอเด็ก พอวันงก็เอาเด็กมาพยายามมาทำบุญกับหลวทุกวันแต่ว่าอยู่ๆท่านก็ท่านจะไม่่คยว่างทำดูแลหวพ่อบอกเด็กอย่าไปส่งเสียงดังใกล้ๆกลกุฏิเรานะเอกวันหลังได้เรียงเรียงอย่าไปเข้าทางกุฏิเราให้เดินไปอีกทางหนูก็จอบแล้วจ้ะไม่ดู้าหนูก็เลยขอเป็นโยบผาถ้าจะต้องไปอะไร ดได้ดีได้ทำบุญกับพระพุทธเจ้าถ้าอยากจะทำบุญกับพระพุทธเจ้าก็ทำบุญกับผ้าป่วยได้ยินหนูถั่เลยใช่ไมประกาค่ะน้องบอกโดนใจเอามีธรรมะโดนใจไปอ่านได้นะอ่านนิทานนาธรรมะสดสร้อนร้อนไม่ได้จดไม่ได้จำพูดออกมาจาก จากใจด เ, ดเดี๋ยวกีกอ่ดีมาเถิดนะวันเสาร์ที่ก็จะมีเทศยาวหน่อยวันธรรมดาก็คุยกันสบายสบายวันเสาร์ที่คนจะเยอะจะไม่ได้คุยกันแบบนี้